อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะมหาโลมหังสัจจริยาพระองค์ตรัสเราเล่าว่าเรานี่นอนอยู่ในป่าช้าเอาซากศพอันมีแต่กระดูกมาทำเป็นหมอนหนุนเด็กชาวบ้านพวกหนึ่งพากันเข้าไปทำความหยาบช้าร้ายกาดนานัปการอีกพวกหนึ่งก็ร่าเริงอีกพวกหนึ่งก็สลดใจพากันนำเอาของหอมดอกไม้และอาหาร เครื่องบรรณาการต่างๆเป็นอันมากไปให้เราพวกใดนำทุกมาให้เราและพวกใดนำความสุขมาให้เราเราเป็นผู้มีจิตเสมอการแก่เขาทั้งหมดเราไม่มีความเอนดูไม่มีความโกรธเราเป็นผู้วางเฉยในสุขและทุกขวางเฉยในยศและความเสื่อมยศเป็นผู้มีใจเสมอในสิ่งทั้งปวงนี้เป็นอุเบกขาบารมีของเราชนนี้แล นะก็อุเบกขาบารมีเนี่ยเจริญยากกว่าบารมีทั้งหมดที่ที่กล่าวไปแล้วนะให้ทานรักษาศีลเนคธรมมอบรมปัญญาวิริยคันติสาจาัจจะอธิษฐานเมตานี่มันทำไม่ยากแต่อุเบกขาเนี่ยทำยากที่สุดเนี่ยนะมาดูว่าท่านทําได้ยังไงเนี่ยนะนะเป็นเรื่องที่น่าอาัศจรรย์มากว่าแม่คนบุงคลเช่นนี้นี่น่าอาัศจรรย์จรงิงๆได้ยินว่าในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลที่มีโภคะอย่างยิ่งอาศัยความเจริญ อยู่กับครูในสำนักอาจารย์ที่สาปาโมกก็แปลว่านักเรียนกินนอนเรียนจนจบศิลปะวิทยาหมดสำเร็จศิลปะ ท, ทุกแขนงเสร็จแล้วก็กลับมายัางตระกูลเมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วแม้พวกญาติก็ขอร้องให้ครอบครองราชสมบัตินะอขออภยัยญาติก็ขอร้องให้ครอบครองสมบัติท่านก็เป็นผู้เกิดความสังเวชในภาวะทั้งปวง ด้วยการมนัสการถึงความเป็นของไม่เที่ยงปกติท่านอยู่ด้วยอนิจจงเนี่ยอยู่ด้วยความเห็นถึงความไม่จีรังยั่งยืนความเป็นของไม่มั่นคงโดยที่สุดแม่ไข่ก็พ่อแม่ของท่านยังตายเลยถ้าท่านปกครองก็รอวันตายเหมือนพ่อเหมือนแม่นี่แหละชีวิตก็มีความตายเป็นที่สุดรอบอย่างนี้แล้วนะสะรุปว่าอย่างไงมันก็เดินไปสู่ความตายเดินไปสู่ความแตกทําลายโดนไปหาความไม่หลงเหลืออะไรเลย ขณะดเดียวกันก็เห็นอสุภะในกายทั้งหลายใ น, ใ, นในความเป็นปฏิกูนของร่างกายไม่ยึดถือกิเลสอัน ร, รมความไม่ยึดถือกิเลสอันทำให้มีความกังวลในการครองเรือนอะนะไม่มีจิตใจกังวลในการครองเรือนไม่ได้ห่วงหาอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเพิ่มพูนอัธยาศัยในเนคขมมะที่สะสมมาช้านานเสร็จแล้วก็ละกองโภคะใหญ่ออกบวช คิดต่อไปว่าหากเราบวชก็จะเป็นผู้ไม่ปรากฏด้วยยกย่องทางคุณธรรมจะบวชยังไงนะโดยที่ไม่ต้องให้ใครชมเชยไม่ต้องใครมาชมเลยแม้แต่นิดเดียวคือคือปกตินี่นักบวชก็จะได้รับคำยกย่องสรรเสริญชมเชยเป็นต้นท่านจะทำยังไงโดยที่ไม่ต้องมีใครมาชมท่านเลยต้องมาคิดวางแผนเพราะท่านนรังเกียจลาบสาการะรังเกียจการนับถือยกย่องและสรรเสริญก็เลยไม่เข้าไปบวชตรึกถึงตนว่า เอาเถอะเราเพียงพอเพื่อเป็นผู้ไม่ผิดปกติในราบและความเสื่อมราบเป็นต้นมันเราจะบำเพ็ญปฏิปทามีความอดทนคำเย้ยหยันของผู้อื่นเป็นต้นอย่างวิเศษเราจะยังอุเบกขาบารมีให้ถึงที่สุดชาตินี้จะขอบำเพ็ญอุเบกขาบารมีจะไม่สนใจว่าใครจะยอมรับว่าเป็นนักบวชไม่ยอมรับเป็นนักบวชก็ออกจากเรือนเดินออกบ้านดุมๆไปอย่างนั้นแหละนั่นแหละคือการออกบวชของท่านานะคืาเรียกว่าบวชทางใจเป็นหลัก ไม่สนใจว่าร่างกายภายนอกจะเป็นนักบวชหรือไม่เพราะแต่งตัวแบบฤหษีบ ด, ดีนั่นแหละก็ออกจากบ้านไปเลยนั่นแหละออกบวชละเป็นผู้ประพฤติขัดเกลากิเลตอย่างยิ่งหมดกําลังก็ทําให้มีกําลังไม่โง่ก็ทําเหมือนโง่นี่นะท่านเหมือนกับอะไรนะไม่บ้าก็ทําเหมือนบ้าสมัยใหม่เขาเรียกว่า บ, บ้าจริงๆอะไรเขาบอกนั้นนะแต่ว่าอันนี้นีท่านไม่บ้าจิ๊กแบบนั้นหรอกเพราะท่านรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาครู้กุศลอกุศลรู้ทางแห่งความเสื่อมความเจริญรู้ คุณธรรมทั้งมวลเป็นต้นเนี่ยท่านไม่ได้ไม่ง้อเลยแต่ท่านก็ทำเหมือนท่านคนไม่รู้อะไรถูกคนอื่นเยอะเยอะเยอะหยันก็คือถากถางเหยียดยามอ่ะนะเมื่อพราะรูปร่างของท่านเนี่ยเหมือนกับเป็นคนไร้จิตใจเที่ยวไปในบ้านนิคมราชธานีทุกแห่งไปอาศัยอยู่แค่คืนเดียวในที่ใดได้รับการเยอะหยันไปที่ไหนเขาดูถูกเหยียดยามมากอยู่ที่นั้นนานหน่อยเมื่อผ้าที่นุ่งมาเก่า แม้ผ้านั้นจะเก่าเป็นขี้ริ้วก็ไม่รับเอาผ้าที่คนอื่นให้นะมันจะผุมันจะอะไรยังไงก็ไม่สนใจก็เอาแค่ว่าปกปิดอวัยวะที่ทําความละอายให้กําเริบเท่านั้นแหละปกปิดเพียงแค่ไม่อายก็พอใจแล้วเนี่ยนะเร็จแลท่านก็ไปไปถึงบ้านนิคมแห่งหนึ่งณที่นั้นก็บอกไอ้คำว่าฟังชื่อเรื่องนี้ก็าือบอกมหาโลมหังสจริยาเนี่ยมหาโลมหังสาก็บอกว่าเรื่องที่ฟังแล้วขนลุกเลยว่างั้นนะเนี โดยเรื่องแปลว่าฟังเรื่องกับคนลุกแล้วกันนะเรื่องนี้คนทั่วไปมันทำไม่ได้อยู่แล้วณที่นั้นเด็กชาวบ้านนิสัยนักเลงชอบดีรันฟันแทงบางคนก็เป็นบุตรหลานและเป็นทาสเป็นต้นของพวกราชวลบเนี่ยนะก็คือมันเป็นลูกของคนใหญ่คนโตนิสัยมันก็เกเรนะเป็นคนหญิงทะลึกล็อกแลกปากจัดพูดจาสามหาวเที่ยวเล่นตลอดเวลาเนี่ยนะโดยปกติก็ใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าลูกคนมีตังที่นิสัยเลวนะ เด็กชาวบ้านเหล่านั้นเห็นเด็กชายและเด็กหญิงที่เป็นคนแก่เข็นใจก็เอาฝุ่นละอองโปรโยไปบนหลังห้อยใบยลำเจียกเอาไว้ในระหว่างรักแรใบลำเจียกก็คือเหมือนกับ น, น้ำอะ่ะเหมือนก็เอาน้ำเนี่ยมาไว้ตามรักแรเดินไปก็คูดนะก็แผลเลือดหลซิ่เลยแหละแสดงการเล่นด้วยท่าทางอันไม่เหมาะสมหน้าตําหนิแล้วก็หัวเระาะใส่คนที่กําลังดูนะเป็นคนที่ใช้ชีวิตในการพูดจาเย่อเย้ยถากถางคนอื่นมีความสุขที่เห็นคนอื่นเดือดร้อนอ่ะนะ พระมหาบุรุษนั้นพอเห็นพวกเด็กนักเลงเหล่านั้นเที่ยวไปในนิคมนั้นก็คิดว่าบัดนี้เราได้อุบายเครื่องบำเพ็ญอุเบกขาบารมีแล้วก็อยู่ณที่นั้นพวกเด็กนักเลงเหล่านั้นเห็นพระมหาบุรุษก็เริ่มที่จะทําความไม่เหมาะสมพระมหาบุรุษก็เดินไปคล้ายกับทนไม่ได้ก็คล้ายกับกลัวเด็กพวกนั้นเด็กเหล่านั้นก็ตามพระโพธิสัตว์ไปอ่ะนะยิ่งทําแกล้งเป็นกลัวก็ยิ่งเอาใหญ่เลยมนะัน พระโพธิสัตว์เมื่อถูกเด็กนั้นตามไปก็ไปป่าชา้าด้วยเห็นว่าป่าช้านี่แหละไม่มีใครขัดคอคือจะให้พวกนั้นมันทําอย่างที่ใจมันอยากทําเลยท่านก็เอาโครงกระดูกเนี่ยเป็นหมอนหนุนแล้วก็นอนเเอากระโหลกศีรษะเอากระดูกนี่มากองกองแล้วก็นอนเหยียดอยู่ตรงนั้นแหละพวกเด็กนักเลงก็พากันไปที่ป่าช้านั้นทําความไม่เหมาะสมล้าอย่างถมน้ําลายรดเป็นต้นเนี่ยนะปัสะวะรด ถ, ถมน้ําลายรดทําทุกอย่าง แล้วก็กลับไปพวกเด็กนักเลงเหล่านั้นทําอย่างนี้ทุกวันเนี่ยไปแกล้งอยู่ทุกวันนะก็ถือว่าเป็นคนบ้าใช่ไหมไม่มีจิตวิญญาณไม่มีจิตมีใจอยากจะแ ก, กล้งอะไรอยากจะทําอะไรก็ทำไปไอ้ไม่โง่แล้วทําโง่เนี่ยนะั้นทํายากมากเลยนะทำได้ไม่รู้ทําได้ยังไงนะทีนี้พวกที่เป็นวินยูชนเนี่ยนะคนมีปัญญาหน่อยพอเห็นเด็กๆทําอย่างนั้นก็ห้ามเพราะรู้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีอนุภาพมากเป็นตาบะเป็นมหาโยคี เป็นนักปฏิบัติชั้นเลิศเลยรแบบนั้นก็พากันกระทําศักการะอย่างมากมายพระโพธิสัตว์ท่านก็บอกว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ต่างกันเรกไอ้คนที่มาประทุสร้ายกับคนที่มานับถือท่านบอกว่าไม่ต่างกัน มาฟังอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าเราเนี่ยนอนอยู่ในป่าช้าเอาซากศพมีแต่กระดูกทําเป็นหมอนหนุนเด็กชาวบ้านพวกหนึ่งพากันเข้าไปทําความหยาบช้าร้ายกาดนานัปการอีกพวกหนึ่งก็ร่าเริองอีกพวกหนึ่งก็สลดใจพากันเอาดอกไม้ค้องหอมอาหารเครื่องบรรณาการต่างๆเป็นอันมากมาให้เราพวกใดนําทุกมาให้เราและพวกใดนำํำศกมาให้เราเราเป็นผู้มีจิตเสมอแก่เขาทั้งหมด ไม่มีความเอนดูไม่มีความโกรธเราเป็นผู้วางเฉยในสุขและทุกในยศและความเสื่อมยศเราเป็นผู้มีใจเสมอในสิ่งทั้งปวงอันนี้เป็นอุเบกขาของเรานนบทว่าสุษาเนสัยยังกับเปมิชวัติกังอุปนิทายะความว่าเรานอนอยู่ในป่าช้าเอาซากศพอันมีแต่โครงกระดูกทําเป็นหมอนหนุน เราก็นอนอยู่ในป่าช้านั่นแหละเพราะมีใจเสมอกันในสิ่งที่สะอาดและไม่สะอาดไม่มีความต่างกันนะของปฏิกูลกับไม่ปฏิกูลท่านบอกว่าไม่ต่างกันจึงจึงเอาบรรดากระดูกที่กระจัดกระจายอยู่ในที่นั้นปราดจากซากที่เขาทิ้งไว้ที่ป่าช้าผีดิบนะเอาทั้งศพศพสดศพแห้งศพเน่าศพเปือยก็มากองรวมๆกันเนี่ยนะแล้วก็นอนหนุนทําเป็นหมอนนอนหนุนอยู่นั่นแหละ เด็กชาวบ้านเหล่านั้นก็มาทำความไม่เหมาะสมหลายอย่างถมน้ำลายหัวเราะเยาะเยะ้ยถ่ายปัสสาวะเป็นต้นเลยนะถ่าปัสสาวะแสดงว่ามีอะไรที่มันหนักกว่านี้อีกที่ไม่ยกมาพูดนะนะขณะเดียวกันก็ยังเอาญ่าเป็นต้นเนี่ยมาหย่อนหูปั่นหูเล่น mm hmm. ปั่นหูเล่นดูสิจะทำยังไงอะไรเง้นะเล่นตามความสะดวกเล่นตามความพอใจเลยนะนี่อีกพวก ก็มีเด็กชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกกว่าท่านผู้นี้เมื่อเด็กเหล่านี้ทําความไม่เหมาะสมเห็นตา น, นี้การย่อเย้ยก็ไม่แสดงความผิดปกติอะไรอะไรเลยก็พาการเอาดอกไม้ของหอมเอาอาหารลา้าอย่างเครื่องบรรณาการอย่างอื่นมาให้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ผู้เป็นวินยูชนเหล่าอื่นนอกจากเด็กชาวบ้านเหล่านั้นที่ไร้ามารยาทวินยูชนเหล่านั้นบอกเมื่อเด็กเหล่านี้ทําความไม่เหมาะสมอย่างนี้ก็ไม่โกรธ ท่านยังมีคุณธรรมมีขันติมีเมตตามีกรุณาในเด็กเหล่านั้นอีกโอ้อัจฉริยะบุรุษก็คือบุรุษอัศจรรย์ก็ตั้งสังเวชในพวกเด็กอีกว่าเด็กเหล่านี้ปฏิบัติท่านผู้ขวนขวายานะองสัยจะบาปมากเลยนะก็เลยเอาดอกไม้ของหอมอาหารล้าอย่างเครื่องสักการะเข้าไปถวายท่านเยเมทุกขังอุปหันติความว่าเด็กชาวบ้านใด นำทุกในร่างกายมาให้เราเยจะเทนติสุขขังมะมะมนุษย์ที่เป็นวินยูชนพวกใดนําความสุขให้แก่เรานําความสุขมาให้แก่เราด้วยเครื่องบํารุงความสุขมีดอกไม้ของหอมอาหารเป็นต้นสับเพสังส ม, มโกโหมิเราเป็นผู้มีจิตเสมอมีจิตเช่นเดียวกันในชนเหล่านั้นเพราะเรามีจิตเสมอโดยไม่เกิดความผิดปกติในที่นไหน ยะถาโกโปนวิชติความเราเนี่ยเพราะความเอ็นดูกล่าวคือความมีจิตเมตตาในผู้อุปการะ mm. ก็ไม่มีแก่เราแม้ความโกรธคือความปทัทธร้ายทางใจแกผู้ไม่ทำอุปการะ mm. ก็ไม่มีแก่เราคือเห็นสองคนสองกลุ่มที่มาสร้างทุกข์กับผู้มาสร้างทุกมาสร้างทุกข์ให้เนี่ยนะผู้นาทุกข์มาให้หรือผู้นำสุขมาให้บอกว่าไม่ต่างกันนี่นะท่านมีความรู้สึกว่าไม่ต่างกัน ฉะนั้นเราจึงเป็นผู้มีใจเสมอแก่ชนทั้งปวงด้วยประการชนีบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าว่าในการนั้นเพื่อแสดงถึงความไม่มีผิดปกติไม่มีความผิดปกติในจิตใจของท่านและความไม่ติดอยู่ในโล ก, กธรรมทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงสะสมญาณสัมภาระเอาไว้ถ้าไม่มีปัญญาเพียงพอจริงๆเนี่ยมันทนได้ที่ไหนนะถูกเตะถูกซ้อมถูก อุจาระปัสสวะรถถูกย่อนหูเล่นแล้วอีกภาคหนึ่งก็โค้นมากราบมาไหวมาบูชาเป็นต้นเลยนะถ้าไม่มีปัญญาจริงๆทนไม่ได้อยู่แล้วนนะพระองค์นั้นมีพระไทยเสมอในสัตว์ทั้งที่เป็นอุปการะและไม่เป็นอุปการะ น, นะทั้งคนนับถือและคนปทุสรายพระองค์ก็ตรัสเป็นคถาว่าเราเป็นผู้วางเฉยในสุขและทุกข์ในยศและความเสื่อมยศ เป็นผู้มีใจเสมอในสิ่งทั้งปวงนี้เป็นอุเบกขาบารมีของเราก็คือท่านเป็นผู้วางตนเป็นกลางเว้นจากการยินดียินร้ายทําใจเหมือนแต่ช่างที่จับเอาไว้เสมอกันช่างได้ว่าทั้งสุขและทุกข์ว่ามันเสมอกัรเนี่ยด้วยอนุภาพของปัญญาแม้กระทั่งท่านจะได้ลาบเสือเส่อมยาเสื่อมลาบมียศถูกนินทาสรรเสริญในโลกธรรม ท, ทั้งหมดท่านก็บอกว่าไม่มีความต่างกัน พระพุทธเจ้านั้นครั้นแสดงความที่พระองค์เป็นผู้เป็นกลางในสรรพสัตว์และโลกธรรมไม่ทั่วไปแก่ชนอื่นเมื่อจะประกาศความที่พระองค์ถึงยอดแห่งอุเบกขาบารมีในอัตภาพนั้นจบลงว่าเอซ่าเมอุเบกขาบารมีทั้งหมดนี้เป็นอุเบกขาบารมีของเราเนี่ยนะพระโพธิสัตว์นั้นจริงๆในชาตินี้ได้ครบทั้ง1ิบบารมีนนะเช่น การบริจาคสมบัติทั้งปวงการบริจาคอัตภาพโดยไม่คำนึงว่าใครๆจะถือเอาสรีระนี้แล้วจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้ทำอย่างที่ตนปรารถนาอันนี้เป็นฐานนบารมี น, นสระทรัพย์สมบัติทั้งหมดสระร่างกายด้วยนะใครจะทำยังไงก็ได้จะเตะเล่นก็ได้จะซ้อมก็ได้จะกราบจะไหวจะบูชา ย, ยังไงก็ทนได้หมดอะ่ะเพราะท่านสละไปแล้วอันนี้เป็นฐานนบารมีของท่าน ท่านไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำทั้งปวงมีความเลวเป็นต้นไม่ทำบาปอากุศลแม้แต่นิดเดียวอันนี้เป็นศีลบารมีของท่านท่านเพิ่มพูนอสุภาษสั ญ, ญาในกายของพระโพธิสัตว์ผู้หันหลังให้ความยินดีในกามออกจากเรือนนี้เป็นเนกขมะเนี่ยนะหันหลังกลับจากวัตถุ ก, กามด้วยกิเลสกรรมทั้งหมดเลยความเป็นผู้ฉลาดในการกาหนดอะไรเป็นอุปการะและไม่เป็นอุปการะต่อโพธิสมภาร อะไรนะคือสิ่งที่เกื้อกูลต่อกุศลธรรมที่จะทําให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันท่านยังรู้ถึงการละธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออุปการะอะไรที่จะเป็นค่าศึกษตรูในการบําเพ็ญบุญกุศลสร้างบารมีท่านก็ละสิ่งเหล่านั้นออกไปท่านคิดถึงแต่สภาวะธรรมจากธรรมอันไม่วิปริตนะค้นคว้าเลือกเฟ้นสแสวงหาแต่สาระบุญกุศลคุณงามความดีที่จะช่วยเกื้อกูลให้ บรรลุตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นปัญญาบารมีของท่านท่านบรรเทาอากุศลวิตกมีการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตตกแล้วอดกลั้นทนต่อความทุกข์ได้อันนั้นเป็นวิริยะบารมีท่านนั้นอดทนต่ออดทนด้วยความอดกลั้นเรียกว่าอธิวาสนะขันติอันนี้อดทนจริงๆนะทนทั้งในราบและความเสื่อมลาบ ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีวาจาจริงขณะเดียวกันก็งดเว้นโดยไม่ผิดจากที่พูดเพราะท่านมีสัจจะบา ร, รมี น, นะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะตั้งใจเอาไว้พูดไว้อย่างไรก็เป็นไปตามนั้ น, นเพราะสั่งสมมานนี้เนี่ยนะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ตัดแต่คําจริงแท้การตั้งใจสมาทานไม่มีวันไหวในธรรมอันไม่มีโทษอันนั้นเป็นอธิษฐานบา ร, รมีว่าสิ่งใดไม่มีโทษสิ่งใดเป็นบุญกุศลคุณงามความดี การเปลี่ยนใจไม่มีเพราะมีจิตใจตั้งมั่นอย่างรากลงลึกเส็แล้วว่างั้นเถะไม่มีใครทำให้ท่านเปลี่ยนความคิดในการเจริญกุศลไปได้ความเป็นผู้มีเมตตามีกรุณาในสรรพสั์โดยไม่เจาะจงอันนั้นเป็นเมตตาบารมีคำว่าเมตตารวมทั้งเมตตาการุณามุทิตาด้วยนะอันนั้นเป็นเมตตาบารมีของพระองค์ส่วนอุเบคาบารมีก็ตามที่กล่าวไปแล้วอั น, น, นวางเฉยทั้งสุขและทุกวางเฉยในยศ วความเสื่อมยศในลาภความเสื่อมลาภวางเฉยทําใจให้เสมอในสิ่งทั้งปวงอันนี้เป็นอุเบกขาของพระองค์คุณธรรมของพระโพธิสัตว์ในชาตินี้ยกตัวอย่างเช่นการละโภคขสมบัติใหญ่แล้วก็ละญาติตระกูลใหญ่เลยนะญาติใหญ่ออกจากเรือนเช่นกับการบวชบวชมานี่ญาติที่ไหนจะชมบ้างนะแล้วมาทําตัวอย่างนี้ว่างก็ถูกด่าตลอดอยู่แล้วละ่ะแต่ท่านก็สละได้นะท่านทนได้หมด การไม่ถือเพศบรรปะชิตของพระโพธิสัตว์ผู้ออกไปอย่างนั้นเพราะรังเกียรลาบสการะประสงค์ที่จะรักษาความนับถือของผู้อื่นไม่ต้องให้สนใจว่าคนอื่นจะนับถือหรือไม่นับถืออธิฐานการบวชไม่ให้เหลือด้วยจิตเท่านั้นแล้วก็ อยู่เป็นสุขอย่างยิ่งเนยนะไม่สนใจว่าใครจะคิดว่าเราเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชก็ไม่ได้แปลงเพศอะไรเลยนะก็อยู่ตามเดิมเนี่ยออกออกบ้านเดินดุ่มๆุมไปเฉยเฉอย่างนั้นแนหะเรียกว่าถ้าพูดแบบชาวบ้านทั่วไปบแบบแหมกลายเป็นคนบ้าไ ป, ไปทันทีไปเลยเนี่ยนะแต่นี้ไม่ใช่เนี่ยนะบา้าอะไรนะดูข้างนอกเหมือนบา้าแต่ว่าจริงๆแล้วท่านไม่โง้เนี่ยนะเพราะท่านคือสแสวงหาการตรัสรู้เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า พอบวชแล้วก็เป็นผู้มักน้อยอย่างยิ่งยินดีในความสงัดไม่คํานึงถึงกายแลชีวิตของตนประสงค์จะวางเฉยนะมันจะเป็นหรือมันจะตายก็ดูสิมันทำใจให้มันเท่ากันเสมอนะบวชแล้วก็ประพฤติขัดเกลากิเลสถึงขั้นอุดกรอดกรอดกลั้นต่อความน่าเกลียดที่ผู้อื่นทําเบื้องบนแก่ตนการยังตนให้ตั้งมั่นด้วยความที่กิเลสอันเป็นปฏิปักษ์ต่อโพธิสมภารมีน้อย ด้วยความเป็นกลางในที่ทั้งปวงนะอะไรที่เป็นค่าศึกต่อการบำเพ็ญบารมีท่านท่านกำจัดออกไปได้นะขณะเดียวกันเนี่ยท่านวางใจเป็นกลางต่อสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันเป็นเหตุแห่งความไม่ผิดปกติในผู้มีอุปการะและไม่มีอุปการะของคนอื่นคือคนอื่นเขาจะมานับถือจะมาแช่งมาด่ามาคารพมาบูชาก็เสมอกัน ท่านทําได้เหมือนกับพระขีณาศพคือพระรหัารผู้ไม่ติดด้วยโลกธระททั้งหลาย น, นะถือว่าเป็นยอดของอุเบกขาบารมีอันเป็นพุทธบารมีของบารมีทั้งปวงเป็นยอดของบารมีทั้งหมดเนี่ยนะที่ที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ตรัสแล้วพระองค์บอกว่าเรานี้ได้เสวยทุก แล้วก็ได้รับสมบัติมากมายหลายอย่างในภพน้อยภพใหญ่ตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้แล้วจึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเนี่ยนะแสดงว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้น้ําตาไหลเลือดซึมเป็นนต์นเนี่ยนะรับมาหมดเลยนะในสังสารวัตรภพเล็กภพน้อยภพใหญ่ไล่ตั้งแต่นรกล้นะนรกเดราชาห์มนุษย์เทวดาพรม้ม ขึ้นลงขึ้นลงมาตลอดระยะเวลาสีอสงไขสแวงหาโพธิญาเนี่ยนะรับทั้งความทุกข์เจ็บปวดแสนสาหัสแต่ก็รับสมบัติทั้งมากมายนานเสียสงไขจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราได้ให้ทานอันสมควรให้บำเพ็ญศีลโดยหาเศษไม่ได้ถึงเนคขมมะบารมีจึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดอันนี้อะไรได้าบารมีใช่ทานศีลเนคข ม, ม เราสอบถามบัณฑิตทั้งหลายอันนี้คือปัญญาบารมีทำความเพียรอย่างอุกฤษถึงขันติบารมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราก็ทําอธิษฐานมั่นตามรักษาสัจจะถึงเมตตาแล้วจึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราเป็นผู้มีจิตเสมอคืออุเบกขาในลาบและความเสื่อมลาบในยศความเสื่อมยศ ในความนับถือและการดูหมิ่นทั้งปวงแล้วเจองได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดก็เห็นชัดว่าข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบคาบารมีเหล่านี้แลวเป็นเครื่องทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็หันมารับสั่ง พระภิกษุทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียรติคร้านโดยความเป็นภัยและเห็นการปรารบความเพียรโดยเป็นทางกเกษมแล้วจงปรารบความเพียรเถิดนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นคําแนะนําตักเตือนเลยบอกว่าการเกียรติคร้านนี่เป็นภัยมากนะ อยู่เฉยๆโดยที่ไม่สร้างบุญกุศลไม่เบีนเพนบุญกิริยาวัตถุได้ๆเลยนะั้นทำตัวเป็นเฉยๆที่ไม่เป็นบุญอะไรซากอย่างนีมันเลวร้ายที่สุดแล้วนะให้มันเป็นของที่น่ากลัวที่สุดนะให้มองว่าการไม่เจริญกุศลเนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็เห็นว่าการเจริญกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลเถิด อันนี้แหละเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสั่งทั้งสอนทั้งโอวาทานุศาสนีตามเนตตามนําพร่มสอนอยู่นั่นแหละท่านทั้งหลายจงเห็นการทะเละวิวาทโดยความเป็นภัยเห็นความไม่วิวาทเป็นทางแห่งความกเกษมจงพูดแต่วาจาอ่อนหวานอันสมักสมารกันเถิดนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการทะเละวิวาทเน้นํามาเสื่งความเลวร้ายอะไรบ้างนะ อะไรจะเลวร้ายทั้งกับการทะเลาะวิวาทเนี่ยนําเป็นเบื้องต้นแห่งบาปประทมสารพัดชนิดปัญหาความเลวร้ายในโลกเกิดจากการทะเลาะวิวาทเนี่ยนะเกิดจากการวิวาทแก่งแย่งกันทะเลาะกันไม่พอใจซึ่งกันมันถ้าไม่มีการวิวาทกันเนี่ยนะโลกนี้มันจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกแต่เนื่องจากวิวาทกันเนื่องจากทะเลาะกันเนื่องจากไม่พอใจซึ่งกันและกันนี่แหละมันจึงความเสียหายทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกพะนั้นแม้กระทั่งการเกิดในอบายเป็นต้นก็เกิดจากการทะเลาะวิวาทกันนั่นแหละ เพราะนั้นให้เห็นแต่ว่าความไม่วิวาทคือมีเมตตาต่อกันนั่นแหละเป็นทางความเกษมเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงการพูดต่อกันก็ให้พูดแต่ถ้อยคำที่อ่อนหวานพูดแต่ปิยวาจาวาจาอันเป็นที่รักแห่งใจสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันเถอนี้เป็นโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะว่าการสมัรสมานสามัคคีปรองดองกันเป็นเหตุแห่งความสุข ท่านทั้งหลายจงเห็นความประมาทโดยความเป็นภัยและเห็นความไม่ประมาทโดยเป็นทางแห่งความเกษมแล้วเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการเถิดนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนเห็นความประมาทก็คือปล่อยใจไปในบาปในอกุศลเห็นว่าการอยู่คลุกคลีหมกมุ่นด้วยบาปอกุศลเนี่ยเป็นทางแห่งความเลวร้ายเป็นทางแห่งความชั่วร้ายเป็นทางแห่งที่มีทุกข์มีโทษ แล้วก็เห็นความไม่ประมาทเพื่อยังกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพิ่มพูนบุญกุศลนะทำศีลสมาธิวิปัสสนามรักผลนิพพานที่ยังไม่ให้เกิดก็ทำให้เกิดขึ้นนนะไม่ประมาทเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธ อรารยมรรคอันเป็นองแปดนี่แหละเป็นทางแห่งความเกษมคือพระนิพพานเป็นทางที่ปลอดภัยเป็นทางที่พ้นจากบ่วงมานเป็นทางที่พ้นจากกิเลสมานเป็นต้นนี่แหละเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะในเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยทีเรียกว่าเป็นการยกย่องบุพกจริยาของพระองค์ที่พระองค์ตรัสธรรมปริยาชื่อว่าพุทธาประธานิยะเนี่ยนะเรียกว่าเป็นเหตุที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าชนิดแล ที่กล่าวมาทั้งหมดเรียกว่าจริยาปิดอกเพราะว่าเป็นการพูดถึงข้อปฏิบัติที่ทําให้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนรายละเอียดก็คงจะ ต, ต่อไปก็เป็นครั้งต่อไปก็แล้วกันวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้มันก็คงเอาโ อ, อวาตตอนท้ายนะให้เห็นความประมาทโดยความเป็นภัยเห็นความไม่ประมาทโดยทางแห่งความปลอดภัยแล้วก็เจริญอริยมรรคอันเป็นองค์แปเธอนี้เป็นทางแห่งพระนิพพานนี้เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ บันขอขอให้เราทั้งหลายพ้นจากความทุกข์โดยท่วนกันอนุโมทนา